เหนื่อยแล้วก็ขอให้ได้คุณภาพอย่าเอาปริมาณว่ามากเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยวัดนี้เราเคยเอาปริมาณดีใจมากเป็นมาแต่ไม่ได้คุณภาพเลยเลียงนั้นได้เปล่ามาไดประโยชน์แต่ดจา ก, การได้เอาคุณภาพเละร้อยต่อหนึ่งก็เอาร้อยให้มันได้สักคนหนึ่งให้มันดีจริงๆนะเหมือนตะปูลราเนี่ยมีลูกห้าคน ถ้าดีสักคนเดียวเนี่ยยังวงตะกูลไม่ได้ยังวงตะกูลไม่ได้เลยถ้าเสียหมดทั้งห้าคนหมดทางเลยเอาเถะมาใหญ่ประโยชน์อลไรก็ร้อยละหนึ่งคนก็ขอให้มันได้จริงจรินเด็กนักเรียนร0อยคนขอเอาสักคนได้ไหมถ้าได้ใช่ได้ยังได้ประโยชน์เราไม่ไม่เสียได้ไม่เสียเวลาเปลา่าเอาตรงนี้ให้ได้ <c oughs> ก็พยายามลุ้นคุณภาพอย่าเอาไปประเมินประมานว่าโอ้คนมาปฏิบัติกันเยอะแยะแต่ไม่ได้อะไรก็ควายเราจะเสียใจด้วยเอาคุณภาพบ้างเถอะถ้าหากว่าปริมาณมันน้อยมันมากก็ขอให้มีคุณภาพออกจากศูนย์ไปอดังการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นเราทําได้ได้ประโยชน์แน่เราเอารูปแบบกันที่ดีด้วยแล้วกัน อย่าไปเอาเอ้แบบไปมาเลยเอากุณภาพให้มา <c oughs> แล้วการผ้าปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าคนใดแต่าหายใจมันไม่สะดวกก็ให้เขาไปหัดลมหายใจนั่งเฉยๆให้ใจยาว เอาตรงไหนเอาตั้งหมูถึงสะดือให้ใจขึ้นให้ใจลงใจขึ้นกรหมูกล้วให้ใจลงถึงถึงสะดือให้มันคล่องพอคล่องเรียบร้อยดีก็ลองให้ใจใหม่ให้ใจเข้ายาวๆให้ใจเอายาวให้ออกให้ยุกพองกับยุกขึ้นลองหยุดไอ้ขึ้นลองนี่จะเป็นการฝึกเบื้องต้น มันจะได้รู้อะโกรธหนอเสียใจหนอที่ลิ้นปีเวลาโกรธหนอเวลานอกการปฏิบัติมันให้ใจยาวๆขึ้นลงบางคนเข้าใจผิดที่ไปทองหนอโยบหนอป้องใช่ที่ไหนตรงนี้สำหรับแก้ปัญหานี่อยากจะรู้ว่าลิ้นปีตรงไหนให้เอาเชือกไปวัดใบด่าง จับเสดอเนี่ยแล้วก็พับครึ่งตรงนี้เลยพอดีวงนี้นปีเลยลองดูเพราะคนเราลิ้นปีมันไม่ตรงกันคนสั้นคนยาวพบประธานโทษสูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้ไม่มี ใ, ใครอันนี้ได้จะกขนแกนได้จากกระเพาะในป่าแก้ปัญหาตรงนี้บัณฑิตบักคิดหนอคิดตรงนี้อ่ะคิดหนอตน้อตงลิ้นปีเนี่ มันที่จะพูดออกมาออกมาได้ทุงไหนอีกได้จากคอหกักหายใจทางสะดือได้แก้ปัญหาได้เยอะเลยแต่หายใจทางพุโทโธนี่นะเลือดเต็มกรมกเลือด เ, เต็มคอหอยไม่หลอดต้องตายแต่ต้องสะดือนี่หายใจได้แน่อยากลองไปเลยไปรลทนค่ะ แล้วหายใจได้อีกทางนึ่งก็คือทางเส้นทางตามเมื่อตามตัวนี่เรียกว่าพระนิโรธสมาบาตัติก็ต้องหายใจอาชีวานไม่หายใจเนี่ยไม่หายใจเนี่ยคื อ, อไหร่ทุกคนน่ะถ้ารับมือที่จะ ไ, ไม่หายใจต้องตายพรหลางยอมรับเลยแหละแต่ทําไมนิโรธรมาบาตัติไม่หายใจเราตอบได้ไหมในตำราบอกไม่หายใจนิโรธสมาบัติ แต่ไม่ให้ใจตรงนี้ไม่มีลมหายใจเลยแต่หายใจทางไหนตามไปเลยทางเส้นขนระบายลมที่เฉยระบายลมได้เนี่ยเหือออกได้ถ้าเหือออกตามนี้ได้ระบายลมได้ทางรัศมีจังหวะถ้าระบายลมนี้นออกไม่ได้ไขมันติดตนันเนเช้นเดียวก ไม่ชาสมองติตาเพราะตามเนี่ยตามเนี่ยทนลมีรูไม่ใช่หายใจแต่เรียกว่าระบายลมตามไปเลยเนี่ยถ้าไม่หายใจต้องตายใช่ไหมแต่ในหลักของนิโรธสมบัติแปลว่าไม่หายใจถูกต้องาำรับตรงนี้โดยวิธีปฏิบัติระบายลมคือ วิจัยยังเต้นอยู่แต่วใจไม่เต้นอยู่ไม่ได้วิชาแพทย์บอกต้องตายแต่วิชากรรมฐานบอกหัวใจัยยังเต้นแต่ตรงนี้ไม่มีนะเต้นชื้น ล, ลึ ก, าลกาลาลมากจะรู้ได้ยังไงจะรู้ไดยังไงระบายลมมาตามเช้นฝังดินยังยังไม่ตายระบายรอกระบายรอกได้เจ็ดวัน เรียกว่ามีโลดสะบัิแต่ใครไม่รู้ตรงนี้นะจะพูดไม่ถูกกระจายมาเนี่ยโลดสะบัติแต่หายใจทางสะดือได้แน่นอนนี่ได้กับตัวเองแต่ใครไม่เชื่อก็ลงไปให้รถทนเดี๋ยวจะหาว่าโกหกตัดติกรเยอะไปเลยเยอะเยนี่ออกไป เราคิดถึงแม่มาทุกวันนี้พระเจ้าแสดงต้องถูกท่านวิระจำว่าเนี่ยถ้าไม่ห้ใจต้องตายใช่ไหมแต่ทําไมนี้โรคหายใจไม่ให้จใหจตรงนี้แต่หัวใจอ่ะอย่างเต้นแต่ฟังไม่รู้แต่จับชีพจรก็ไม่รู้แต่ละบายลมเนี่ยคือหายใจทําไมให้จใหจตา ย, จ, ยจะมาอธิบายให้ฝรั่งค่ะโอเคถูกต้อง ทำหายใจโ ล, โลหิตหายใจไม่โฉบชฉีดไปเลี้ยงสมองตายทุกอย่างแล้วจะพูดมาได้ยังไงหลังไม่ยอมเชื่อพอเร า, าพูดอย่างนี้โอเคหายใจทางระบายลมถูกต้องหลังยอมรับเดี๋ยวดูเรือนี้ออกไปมันจะพิมพ์เนี้ยนี่ระบายลมได้ตามลกาย ถ้าหากว่าท่านอีละระบายลมไม่ได้ไม่ใชาหรอกท่านจะตายแลว่าไขมันติดกันในเส้นเลือดสมองจะตันแล้วท่านจะพุ่งลงไปตายคาที่ถ้าเราเจริอกันมาถามอยู่เรื่อยๆระบายลมด้วยหายใจด้วยหนักเข้าพองหนอยุดหนอจนตั้งอยู่ดับไปขันห้ารูปนาแปลลมจนไม่พองมายุบนี่แหละตอนนี้ไขมันในเช้นเลือดท่านจะหายไปอยู่ มันทำเลยเนียนะ่ยไขมันในเชืเ้อเลือดจะหายไปโดยอัตโนมัติเพราะเราทําเนี่ยไอ้หัวใจเนี่ยจะสูบพิษแรงไปเลี้ยงฉมอมและไขมันในเชืเ้อเลือดจะละลายทันทีเพราะอํานาจจิตที่ภาวนาอํานาจจิตที่ภาวนาเนี่ชัดเจนเนะต้องฟังและคิดแล้วทําไปด้วยถ้าไม่ทําเนี่ยจะไม่เชื่อนี่ในงานตมาจะหายใจทางสเดือได้ พอคอติดถึงจะรู้วันเนี้ยตรงตรูดเนี้ยภาษาเนีอยู่ที่ตูดหมดฉีดยานเนี่ยต้องเนี่ยตรงเนี้ยถ้าฉีดยาไปแล้วต้องคารีบเลยเพราะฉะนั้นอย่าตบตูดลกูกไปสานนักเรียนเน่ยอย่าไป ต, าตูดเด็กถ้าถูถาถตรงนี้นะสมองไม่ดีตอนที่จะมาคอติดพับปวดตูดจะหลุด ยิงก็ออกลูกนี่สองข้างเนี่ยสองข้างร้องเชียดยาดเียขาเรีบเลยนักกรรมาฐานต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยญี่ปุ่นมันจึงห้ามไม่ถูกตูดมันสมองมันจะเสียจับหัวเทหัวก็วยังไม่วหวแต่ตูดน้อยตรงนี้รักษามากไปพูดก็ฉลางได้เลยยอมรับแน่นอน ไม่เสไปพูดโทรฉันไปสวรรค์นิพพานฉันหลังก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยตรงนี้อย่างเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวจะเดินจงกรมให้ดูทำให้มัเหมือนกันแล้วนั่งของหนอยกหนอนนั่งขัดสมาธเพชรดาเล้ยมใช่เหรอขัดสมาธสองชั้นขัดสมาธิชั้นเดียวแต่หลวงพ่อดําในป่าขัดสมาอย่างเดียวขัดสมาเพชรอย่างอืนท่านไม่ถัดขัดสมาเพชรเนี่ยมันปวดครั้งแรกครั้งเดียว ต่อไปจะไม่ปวดเมื่อยเลยนางนี้โรคสมาบัติก็ได้ต้องขัดะมาพเพชสนางขัดะมาอื่นเข้าในโรคไม่ได้อันนี้พูดความจริงให้ฟังเพราะฉะนั้นขัดตะมาพเพิสจะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติมากใครบอกว่าขัดะมาไม่ได้ได้ช่ไขาชั่นก็ได้ต้องหัดต้องฝึกแข่งเรือยแข่งท้ายแข่งได้แข่งบุญวัฒนาไม่ได้ แต่แข่งเรือแข่งพายเราพายไม่เป็นไปแข่งเว่งต้องฝึกแต่ฝึกไม่ได้หมดทางที่จะได้ให้ใจเ ย, ย, ยาวๆไว้แต่คุณให้ใจยาวๆอารมณ์เย็นลงไปทําอะไรสําเร็จไวรู้เหตุการณ์ได้ไวชัดชัดมากกว่าคณให้ใจสั้นเป็นตัวยังไม่เหมือนกันเลยวันนี้ก็เวลาจํากัดเดี๋ยวจะเดินชมกลมให้ดูจะได้พา ก, กันคืนนี้ก็เดินสัก เ ค, เคยยังร่วงนั่งเคยยังร่วงอย่าหยุดอย่านอนเจ็ดวันห้ามนอนให้น้อยนอนน้อ ย, อยพูดให้น้อยทำความเพียรมากเลิกคุยทัทีทำเป็นสังทองสิงงสังทองมันมีปัญญาไอสังทองปากมันพูดไหมเคยเห็นสังไอเงออออาะ ป, ปากปากพูดไหมปากมันพูดหรือเปลาเงาะจิตมันคิดไหม นะจากไ้เลยสางทองคือเงาะเงาะมาได้มาจากไหนเด้มาจากไหนเดินมาจากยักเอาพูดทนนี้ฮะเดี๋ยวจะเรื่องมากไปเดี๋ยวจะเสียอารมณ์ เรามานั่งปฏิบัติเนี่ยต้องการมาเก็บอารมณ์ไม่พูดกับใครอย่าให้อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยนั่งเดียเนี้ยมันไม่เคยได้ละมาก็เยอะหมดเนี่ยมานินทากันมากมาหาเรื่อง ก, กันมากไม่เดี๋ยมาเก็บอารมณ์เนี่ยมาใช้อารมณ์มาใช้มาเก็บอารมณ์มาใช้อารมณ์พาอารมณ์เข้ามาในวัดมาวัดน่าจะไปอุบาสบัญญัตพามาหาเรื่อง ก, กับพระ มาหาเรื่องกันในวัดไม่ได้เก็บอารมณนะ์มาใช้อารมณ์ที่วัดอารมณ์มันค้างมาจากบ้านมันก็มาใช้ที่วัดถึงมีเรื่องกันถูกไหมวันนี้พูดกี่ชั่วโมงเนี่ยําได้ไมเนี่ยจำได้ไหรือไม การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นการบริเพงสินอันเนี้ยขอฝากกันด้วยเรารักษาสินนี่นะรับรับสินเนี่ยใครก็รับได้ปากรับใจใจไม่รับรับแล้วไปฆ่าสัตว์รับแล้วไปรักทรัพย์เขารับรับสินแล้วก็ไปร่วงบริเวณีรับแล้วก็ไปโกหกโกว่ายเขารับแล้วไปกินเหล้าเมายา ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างถ้าปฏิบัติธรรมนี้ยเรียกว่ายอมรับด้วยจิตใจแต่ปากรับอย่างเดียวไม่ได้อยาที่ยกตัวอย่างให้ท่านรับมือทีฟังปากโหกได้แต่จิตโกหกไม่ได้จิตไม่ยอมรับไม่มีทางจะดินได้ต้องให้ชัดเจนเนี่ยไม่อยากไปบทชีพรามกรมบอลลูนไปถอดกระถิ่งผ่าปากันไม่ใช่ สร้างตัวเองก่อนการตัวเองไม่ได้แจ้งแจ้งแน่นอนเยืนเดินนั่งนอนเป็นการควบคุมจิตแต่การที่อบรมเด็กเนี่ยต้องให้ครูของเขาควบคุมเด็กของเขาให้ได้ตามนี้แล้วเราเป็นวิทยากรเราไปสอนไม่ง่ายคือถ้าเขาไม่ช่วยควบคุมเด็กให้เราไปสอนไม่เด็ดผลาจำไว้ยั้จำไม่เด็ดผลหรอกต้องให้ครูเขาเนี่ย ต้องพูดกับเขาก่อนทครมาติต่อที่ศูนย์บอกเลยว่าต้องอกครูมาเถอะนะต้องควบคุมอะไรบ้างอะไรบ้างให้ครูเข้ามาดูแลไม่ใช่เราเป็นคนดูแลเราก็ตายสิทั้งเลี้ยงทั้งอะไรเนี่ยหนักกระสูนหนักใจมากใครเป็นผู้บริการศูนย์หนักใจแย่ไม่ครูไม่ครูว่าไม่หนักใจเหรอนี่แล้วไปครูทีรวัตรจะหนักใจไหมแล้วแม่ครูว่หนักใจไหม ทำยในครัวเห็นเด็กเรียบร้อยคูยคงคุไมไหป๊ะจะศรัท ธ, ธามากขึ้นอยู่ตรงนี้หมดกำลังใจหมดทางที่อื่นอันนี้เป็นตัวหลักตัวสำคัญด้วย <c oughs> ควบคุมกันจากการเดินที่ว่าเกปะลมเนี่ยไปเดินห้องน้ำก็เดินจงคลมเอากำไรไปด้วย ไปห้องน้ําถ่ายอยุจจ า, าระปัสสาวะก็ควบคุมตัวเองด้วยมีสติในการถ่ายมีสติในการรับทานอาหารมีสติในการคิดทุกอย่างรับรองครบวงจรเนะี่ยอย่างนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์ไม่จะมาใช้อารมณ์แล้วนี่ยเวลาเดินไปละละองอาหารก็ต้องเดินจงกรมไปเป็นแเ <c oughs> วลาเดินจงกรมก็มือภายหลัง เพื่อไม่ให้เป็นโกตาตไม่ปวดหลังไม่หลังงอเวลาเดินไปโรงอาหารนี้ไปก็ท้างหน้าถึงจะสวยถ้าเดินทั้งนี้เขาจะหาว่านักเรีนโตมันคุณเรื่องกล่าต้องทำความเข้าใจถ้าเดินอย่างนี้เลยไปเอ๊ะอะไรกันวะเนี่ยเดินควายห้างเหรอต้องสำรวมตรงนี้แต่เวลาเดินจะกลมทมั้งแมวไว้ข้างหลัง อันนี้ตำราของเราคนที่ไปโลกตายนะถ้าไว้ข้างหน้าหรือไปโลกปอดมันจะรับตรงนี้เดี๋ยวอาเจียนเลยนะทํามานานๆครับโลกปอดโลกวนนั้นโลกไม่ดีเลยถ้าอยูน่นี้มันจะทําข้างหลังเนี่ยให้ตึงแล้วข้างหลังเนี่ยมันแก้โรคตายได้แต่ตัวตรงนี้สําคัญมากปวดมากทนหน่อยปวดตรงไหล่ เดี๋ยวได้ผมเนี่ยออกมาอย่างนี้ชัดเจนชัดมากเดินจงกรมเนี่ยเป็นการควบคุมจิตให้เรามีสติ ป, ปัญญาดีมากกว่านั่งต้องยืนเดินเนี่ยนั่งแล้วค่อยนอนต้องยืนเดินนั่งหนอนถือหลักคู่แยก เ, เด็กขาเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาบอกว่าชัดเจน ต้องมีสติทุกลมหายใจเขาออกรับรองได้แน่นอนแต่แล้วทำติดต่อกันไปเรื่อยๆไปอยู่บ้านอยู่ไหนวงจรจะครบแล้วคนนั้นจะไม่ไปทางเสียเลือยคนจากถจะว่าไม่ปฏิบัติเอาไปทิ้งแต่ทิ้งแล้วหมดทางที่จะดีได้ออกมันี่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมมีความสุขคันหลายประกาศ ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยอายุร้อยสองปีใช่ไหมเป็นแพทย์หญิงเดินวันละแปดกิโลเดี๋ยนี้เลิกเดินเนี่ยมันเนดะินกรรมาฐานวันละสีชั่วโมงนั่งสีชั่วโมงร้อยสองปีเป็นแพทย์หญิงแล้วก็อาญาไปแจ่าตามโรงเรียนไปชี้ยายด็กฟานเฟืองดีอยูบเบอร์ลินจังประเทศเยอรมันโทรมาที่นี่ แลยคนยังอยู่พิษลโลกอายุร้ว2สองปีเหมือนกันยังเดินแข็งแรงมาสงครามโลกครสอนโยกินฝรังร่งเศสเป็นทหารโลกมายั้งอยู่เนี่ยพิษลกมันี้ยู่คมุมเดินจงกลมทุกอย่างมีประโยชน์มากโดยเฉสาะทฤษฎีดูการเดินจงกลมและการนั่ง ไม่ใช่หมายความว่าต้องทำทั้ง4อย่างถึงจะได้ถ้ายอมเนี่ยกิอเวชนาภิหมหาก็เอาอย่างนี้ปวดหนอปวดหนอแม่เล่นเกมเดี๋ยวดูกฎในการเล่นทิษฎาปวดหนอปว ด, น, ด, น, ดน้ำตาร่วมตายให้มันตายสามีบอกให้มาต า, ตายาตาประเทศไทยยอมรับเลี้ยงลูกสามคน สามีเป็นชาวสเปน อ, สสนอยู่ฟรีส์่หละมาอยู่เมือคอนฉวัตรนี่เองขอมาตายเจงพ่อไป้ก่อนบอกดีๆเถอะเราเห็นหนอไม่ตายเห็นนี่นเราราคาหลายร้อยล้าน้ำคัญเห็นหนอโอโ้โหไม่ละติกรสวยโอโ้โหอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอเป็นมูนตีอย่างนี้เหรอ เห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นด้วยกิยเลสเัาถ้ามีปัญญาเห็นิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาอิสุทธิเกิดเห็นด้วยปัญญาคนนี้ว่าคนนี้บกพร่อง่ะไราไปเยอะเติมเตอเยอะตัดเพื่อประหยัดวิญญาณเขาพิจารณ์ต้องเข้าใจไหมคะ จิตนาม่ปัจนาิตประทา น, ทานข้อนี้เป็นของบริหารจิตจิตเกิดขึ้นตรงไหนจิตเป็นธรรมชาติเป็นทิ้่อารมณ์รับรู้อารมณ์มายาพยาณาเมื่อเทืนบไปเลือเสียงเกิดทางอัญญะทานันทีเกิดตรงไหนต้องปฏิบัติตรงนั้นทำไมไปทิ้งอ่ะเสียงหนอะ็คือว่าจิงเสียงหน อ, หนอจิตเกิดตรงนี้แะ เสียงหนอเกิดเครื่องตั้งอยู่ดับไปเสียงก็หูไม่ใช่อันเดียวกันแล้วต้องทำเอาเองเนะไม่ใชใ่ครูบอกเสียงก็หูไม่ใช่อันเดียวกันถ้าใครก็นดบ่อยๆเสียงมาจากไหนหูอยู่ไหนอะไรเป็นลูกอะไรเปน็นามเกิดขึ้ื่อตั้งอยู่ดับไปเสียงกกจะโกหกเลยชัด โกหกเราเราจะได้สบายใจอย่าไปพะวงส ง, ง่าว่าแม่ราชกรโกหกเมันก็กลับไปหาแม่รัชกรตามเดิมโกหกเราจะไม่เก็บไว้ในใจเราจะไม่ขอเก็บแน่คนนี้ไว้ในใจเราเท่านี้เองก็หมดเรื่องแล้วพาไปเอาเรื่องเข้ามาอย่าหูนี่สาคัญมากเสือกหูขาดปัญญาขาด่ากูวะยากูวะ เสียกออกไปเลยเสียกเอาหัเสือกไปข้างนอกปากก็เหมือนกันเสือกเข้าไปพูดโน่นถนุนเอเชียพูดทังนี้ไม่พอเสียไปปากคันเป็นบอลต้องเสือกไปที่งหน้าเสือกไปขนี้นี่เนี่ยหากนาวยาวปากคนยาวกว่าเพราะเหตุดังที่กล่าวมาอย่างเดียวพอนึงเสียงหนอยังสมเห็ุได้เสียงหนอ ถ้าเราทําวงจรไนดะ้เสียงนี้โกหกแต่เราคนดีมีปัญญาจะไม่สนใจกับเสียงโกหกจะตัดไปเลยจะไม่ว่าวุ่นจะไม่วุ่นวายจะดูเพียบจะไม่เนงะอย่าพาออกไปหาเสียงโอ้ย ม, มันเสืกอกอแล้วว่าเสือกมันจะหยาบไปว่าเสืกอกอดีกว่าเสือกชอบไปฟังเขานินทา เสียบไหมาก็เสือบนี่กรรมฐานเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาถ้าเราเห็นด้วยกิเลสก็เกิดไปรักใคร่เขาไชอบเขาไม่เข้าเรื่ อ, องเขาหาบเห็นด้วยปัญญาเราไม่ไปเห็นความชั่วของเขาเลยจะเห็นแต่ความดีมีปัญญากับเขากับเาราจิตจะปลูกสมารักษ์ให้ รักตัวนี้แปลว่าปลูกความในความดีไม่จะปลูกความในความชั่วเราไม่มีความชั่วร้ายต่อกันทอนี้ทําไม่ได้หรือคะเหนื่อยไม่นั่งฟังมานี่เหนื่อยไหมไม่เมื่อยเลยเหรอคล็ดไม่ออกไม่ต้องจดน้องจำคอมพิวเตอร์ียมาคิดตรงนี้หายใจเราต้องหมู่ถึงจะดื่ แล้วก็บอกคิดหนอือถ้ามือสมาธิอยู่ในห ม, ม้อแบตเตรี่เด้วมันจะ อ, ออกออกหมาจดลองอายการสูงสุดมาวานก็มาคิดไม่ออกเมื่อสมัยไงดังหารที่ป่าัญชาเป็นนายกรออ้อยอายการสูงสุดจะต้องคิดให้รัฐบาลอายการสูงสุดก็คิดไม่ออกเลยตัดสินใจมานั่งกรรมฐานเจดวันเจ็คืนไม่พูชาเลย ให้มันขูดขึ้นมาใช่ไหมให้มันได้จริงเลยใช่ไหมเตรียมเดินสอเตรียมปากกากับสมุดพกแระเป๋านั่งเดินโยงกลมนั่งตลอดอชุงง้อสอนอชุงงอเก่งมากคนต้องรอยจ้องพันคนหายไปคนยังรู้มีขเหล่านี่หายไปนอนก็เมียจะแทมเมียหายไปยังไม่รู้เลยยังมาถามหลวงพ่อเลยวันมาถามเราทำไมนะเราไปนอนก็เมียเขาเหลือ มาถามว่าเมียผมไปไหนเนี่ยแล้วแกนอนด้วยกันทำไมไม่รู้ล่ะแต่ชงงกเก่โยคีผู้ปฏิบัติหายไปอย่างจําได้มีหายมาตามที่กุฏิหลวงพ่อเลยอายการสูงสุดเมนียออก้น ง, งเลยพอปฏิบัติได้คิดหนออดูถือข้อไปแก้ปัญหารัฐบาลได้เลยมันไม่อยู่ในตำลาไม่อยู่ในกฎมา เป็นตำราที่แก่ยากมากจะมาถามได้ไงคิดหนอตรงนี้หายใ จ, จยาวๆถ้าเราไม่มีพลังไม่เคยมาฝึกเป็นไปไม่ไถ้าไม่มีพลังเลยเนี่ยกําหนดไม่ได้ไม่ได้ฝึกว่าเป็นประจำหมดกําลังเลยเข้าใจไหมเนี่ยคิอแล้วยังโผล่เสียใจอย่าฝ่าคลั่งคืนที่เราบอกว่าอย่าฝ่าคลั่งคืน ทำให้มันได้ข้อเดียวเนี่ยทําให้มันได้อย่าสับส่วนเลยนะเดี๋ยวท่านต้ไปเดินจงกลมแก้เสียใจใ ห, หน่อยมันทำห้าไปเยอะมากอบแน่อยังไม่ได้ เ, ดเสียใจหนอให้ใจยาวเสียสติมันจะบอกเสียใจเรื่องสามีเสียใจเรื่องคนบางคนอ้อเสียใจหนอทุกอะไรจึงเสียใจ อ๋อเรื่องอะไรมาจากไหนควรแก้ที่ไหนะบอกเลยเท่านี้เองนะทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวสับสนถ้าแก้ได้บจบอาตูรี่คิดมาแล้วสิบปีนั่งห้าวันคิดออกโจบไปเลยเดี๋ยวม้าชาเดืนอนมิถุนะายนอากาศจะมึนชินนะอาตูรี่ สามีเป็นผู้หมวยการคาทุริกที่รักโดวสิ่งสารซึ่งคาทุนได้กจำนาพอได้กจำ น, ำน า, า, ลลำนานแล้วกํ็นดไปกําหนดไปเทวดามาล่องลําอุ่นอมวยพอแล้วก็จูรี่เขาเป็นสลังเรามีการเขาจะรู้หรือเทวดาจริงๆเสียงผ้าเพลดูเลยสายชดาด้วยมีอินทหนูใจนุ่งผ้าพะ่วง แล้วก็มีอส่วงวานรำยังไงทำท่าดยยูเพราะทำเสร็จแล้วก็เลวดามาอวยพรเขาจดไว้แล้เวเขากลับไปเนี่ยเขาก็ทำเขาเป็นเสมอเพราะฉะนั้นเพลงอวยพรจะมีมาจนแบบนี้จำาเพลงอวยพรเดี่วันเกิดมั่งอะไรเนียใช้เพลงำํำนวนนางหน้า ไม่ใช่เรืรร่ อ, องเลี้ยวหลเจตการใดเขาฝากไว้าก็การเดินการเดินนั่งนอนอธิการสมาต้องกล่าวเนะี่ยต้องทํำไม่ได้ลื่นจิดเพียงแต่เดินตรงกลมกลับตายข้างฝาไปพอหายเดินได้เลยขวาย่างใช่อย่างเดินตรงกลมคือเดินยังไงเดินธรรมดาของท่านทั้งหลายเดินอย่างไงให้เดินยางไงแต่ให้มันช้าลงไม่ใช่ขวา ยา่าหนอซาอยา่างหนอไม่รู้เอามาจากไหนกันกวา่ย า, ายา่าหนอซาอย่างหนอลมหนอตายหนอก็เดินอย่างเงี้ยเดินธรรมดาอย่างเงี้ยเดินไม่ได้ง่ายนะแต่ให้มันช้าตรงโทษนั่นเองนะ เดินมิสตินั่งมีสตินอนมีสติทั้งทำให้มันคุ้นเคยเสือเพื่อได้ช้าเพื่อวัยรู้อย่างช้าผู้วัยเดินุกรดยไม่ช้าเพื่ออะไรวัยจะจะวิ่งสติมันจะบอกทืออย่ยะเพื่อวัยรวดเร็วทางใจถูกต้องเป็นถรรพูดให้มันเข้านี่ เข้าใจไหมมาที่มาเรื้อเอานอกครูมาทำนอกครูไม่ได้เรื่องในเราเลยสักอย่างเนี่ยเวลาเดินไปไหนไมือทำนี้ถูกแต่เวลาเนี่ยเราได้ประสบมานกก เ, บเนี่ยให้ทุกเบนเน็ตโลกตายหายเนี่ยเดินหนึ่งชั่วโมงนี้จะรู้สึกมันจะกดเส้นประศาทตรงกระเบนเน็ เคยเบาไม่ออกมันจะเบาคล่องโรคายจะหายถ้าอย่างเนี้ยถ้าหนุ่งชั่วโ ม, มงไปแล้วเนี่ยถ้าไปโรคปอดลำบากมันจะรับมือถ้าไปโรคหัวใจลำบากมากมันจะติดนต่ประสบการณ์มาเองจึงบอกให้ทําอย่างนี้อันนี้กดไว้ตรงกระเบนเหนียนี่ใครที่เคยเบาก็ะปิดกับปอยถ้าเดินชั่วโมงสองชั่วโมง มันจะเบาคล่องทีมันกดตรงนี้ยิ่งเดินนานแต่ยิ่งกดหนักแล้วหลังก็ไม่งอเดิน ย, ยังกลมอย่างนี้นะท่างหลังงอแล้วเดินตรงกลมเนี่ยจไว้ก่อนจำไว้โค้นตั้งคลานหกเดือนรับไม่ได้อย่าให้เดินตรงกลมอย่าให้ปฏิบัติกรมาามฐานที่มีปรนตุยานท้องหกเดือน เดินมองมาเห็นข้าขวาย่างหนอมันไม่เห็นท้องมาตอท้องหนอยกหนอมันไม่ยกท้องมาตอเดินคลาดลมลูกแทงเลยนี่แทงหลายโคเลยถึงบอกว่าคนทองรับมาได้เพราะอย่างนี้เข้าใจยังเนี่ยคนทองทาไมไม่รับตอบรู้ว่าคนทองไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้ ไม่เคยท้องเลยเนี่ยแล้วพองยกมันจะเกิดไหมน่าทองสามเดือนได้ทะเลไปแล้วไม่ได้บังคนอ้วนเนี่ยท้องมาต้องสี่เดือนยังไม่รู้ว่าตัวทองเลยแปลจริงๆเนี่ยอ้วนนะท้องมาต้องสี่เดือนเนี่ยยังไม่รู้ว่าทองเลยแปลจริงๆแล้วบอกนี่มีลูกปล่าเนี่ยแล้วฉันไม่เคยเนะไม่มีเห็นหนอะผู้ชายอยู่ในท่อง ไปตรวจแล้วนะไปตรวจเจอลูกเลยเก็ตัวทแท้ๆยังไม่รู้ว่าลูกมีมีลูก อ, อะไรฮนะมีท้องไม่รู้เลยเดีนน๋ยวนี้คนอ้วนใหญ่เอาเดื่องเก่งที่วัดนี่นั่งไม่ได้คนไปโลกประชาทอย่ารับนะคนเครียดอย่ารับไม่ได้พระเนอเมริกาเครียดรับประชาทรับพรั่งนอผิดเพราะพ่อแวววานสอนอย่าง เขายอมรับแล้วใช่หไหมเข้าใจไหมนะคนเครียดมาอย่ารับไปเยอดีไม่ดีลําเลยนาข้าวสอนวิยนทย <c oughs> ออากรสี่อจสีธัญญามหาวิทยาสีธัญญายังไม่ครบสามปีรับไม่ได้มีไหมที่ศูนยะ์มีวิทยากรที่อยู่มหาวิทยาสําเร็จมหาวิทยาสินเช่นอย่างมีไหมมีไหมมีไหม คนตั้งครรเนี่ยที่เนี่ยล้มแท้งไปเราไม่รู้ก็เป็นบาปหรือเปล่ายาไม่รับบางคนบอกเอ๊ะวันนี้แปลกเว้ยไม่รับคนท้องวัดโน้นเขารับทั้งนั้นก็ทําไมไม่รับแล้วก็มานั่งบวชชีพรามเนี่ยมานั่งฟังมไงแล้วก็ตางติกนเทศท้องห้าท้องก็นั่งได้ท้องห้าท้องก็มาอยู่ได้วัดนั้นแต่วันนี้ไม่ได้ อย่ารับนะที่สูงอยารัคนท้องเดี๋ยวล้มไปแทงเลยเดี๋ยวผัวเขาดาแล้วก็พ้องหนอยุบหนอไม่ได้แล้เวเนี่ยคนท้องโตเนี่ยจาไว้นะถ้ามาเดินให้เราดูเนี่ยเราจะรู้กระทายได้เลยถ้าเดินให้เราดูบอกเห็นไหนไม่เห็นยุปโปเลยกราบได้ตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้คลอดรู้ไหมใคยรู้ไหมเนี่ย เราเคยรู้เลยฟังนะเราบินถ้าบาทเนี่ยถา้าข้าวครึ่งเนี่ยบาทมันเอียงไปเอียงมาได้เห็นเท้าถ้าข้าวเต็มบาทเนี่ยมองไ ม, เเมเ่เห็นเท้าเลยมันหนักถ้าข้าครึ่งเห็นเท้าวได้เข้าใจไหมมันเต็มเนี่ยมันมองมาเห็นถ้าเต็มมองมาเห็นกลับบ้าได้ช่วงนี้ออกลูกเนี่ยออกจริง ดูคนเป็นมัน่งเชคนที่ท้องโตเนี่ยรัตมนลตีเคยจะไปดูคนท้องทามันมองไม่เห็นทาวมันเนี่ยเปรียมตัวกระโปกรดแหละต้องออกลูกแน่เคยออกไหมจำมาเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังจะได้จำไปมันงเพราะเรานึกได้เราต้องบอก เวลาจะเดินจงกลมตั้งตัวให้ตรงไว้ก่อนเนี่ยวันนี้มันมันเป็นไ่ายอย่างแรงเนี่ยโวดหัวมาแต่เมื่อวานเมื่อคืนนอนไม่หลับมันเป็นไขายอย่างแรงเมื่อวานโดนฝนไม่ได้เนี่เป็นไข้นี่เนี่ยก็ลอยขึ้ น, นตัวห้าร้อยก็หลอมเสีย <laughs> เนี่ยดูกลายเท้าเนี่ย ตั้งตัวงงๆวะหลับตาตั้งสติดูทุกคนบางคนเนี่ยเดินรงกลมบอกว่านงงไปดูเนี่ยไม่ได้ต้องดูที่เท้าถ้าไม่รูที่เท้าสติไม่พอ ต้องเอาปัจจุบันเข้าใจไหมล่ะอย่าให้ไปดูตรงโน้นไม่ได้บางครูบางอ่อนนะให้ดูโน่นเลยถ้าเตะกระพอก็ข้าเหรือเข้าใจไมนเนี่ยไม่ใช่หลับตาเดินจงกลมนะเริ่มตาก่อนจะเดินจงกลมทำยังไงยืนหนอห้าครั้งก่อนเข้าใจไมนเนี่ย ยืนหนอห้าครั้งต้องหลับตาหลับตายืนหนอจากหลายเท่าขึ้นมายืนถึงถ้าเดินหยดหน่อยทาหลักค้นใหม่แล้วก็หนอพอดีนี่เขมอมนี่สองเลยนะสามยืนหนอ สมุนจะกายเท้าหลับตาโมโหภาพยืนหนอห้ายืนหนอที่ตายเท้าแล้วลืมตาเวลายืนหนอห้าครั้งเนี่ยนี่เนี่ยตาจ่าปัญจกะกรรมฐานวิทยากรไปพูดให้มันรู้เรื่องตะจาปัญจกะกรรมฐานได้มาจากไหน ทูพเจ้าสอนคนที่จะบวชเนี่ยต้องมีกรรมฐานนี่ตะจะปันจกักกะกรรมฐานกรรมฐานห้ามีมาตั้งแต่กําเนิดเกิด ม, มาจะท่องมารดาเลยเกศาโลมานะคะท่นตาตะโตตะโ ต, ต, ะโตทันตานะคะอุมาเกศาหลวงพ่อในป่านเนี่ยบอกคุณเรียนมาเปล่าคุณได้กรรมฐานเนาะพอถ้าเกศาได้เกศาคือผมนะคะคือเล็บท่านตาฟันตาโตหนังของทั้งห้าเนี่ย เรียกว่าต่จา่าบรรยากาศกรรมาฐานวิธีปฏิบัติโดยศีลดยศึกษาโดยกายรเข้ามันเอามาพิจารณาเป็นยอย่างไงท่านบอกไม่ใ ช, เชาา่เป็นวิชาการเป็นวิชาการคุณรู้ไหมเนี่ยพุทธเจ้าจะให้โฮมพ่านต้องเรียน ก, กรรมาฐานเรียกว่าตำราวคนคิดคิดให้เป็นคนเป็นมนุษย์นี่หลวงพ่อขนแกนบอกอย่างนี้เอาไปหน่อยไม่ไานถามว่ากรรมาฐานคืออะไรแล้วตอบว่างไง มาตอบะตะจะัปันจักตะกรรมาฐานกรรมาฐานมีห้าเกสาโลมานะขาทันตาตะโตตะโตทันตานาขาวโลมาเกสาไม่น่กาก็เมื่อเกิดมาจากทองของมาดาเล้ยไม่ใช่เพิ่งมามีเดียวนี้มีอย่ยงางแต่ทองมารดาแล้วดังนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะห่มผ้ากาสาวพักต้องเอาตำลาคนไปคิดให้เป็นมนุษย์ก่อนถ้าไม่เป็นมนุษย์ แล้วมนุษย์โสซิบวดไม่ได้ต้องมีกรมมฐานก่อนค่อยห่มผ้านถ้ามีกรรมฐานแล้วหอมมีเอาเอาหลักสูตรไปพูดกับพหลังหน่อยพระเอองจะตอบได้ไหมถ้าไมันมีกรมมฐานอย่างนี้จะเรียกว่าก ร, รมมถานเนี่ยตาจะปัญจกะกรมมฐานเรียกว่ากรรมฐานห้า ม, มีแต่กาเนิดเกิดมาจากท้องข้ามมาดาแล้วออกมาจากท้องก็มีแล้วทําไมลืมเนี่ย เทสาลงมานะะ้าขาท่านตาตโตแต่โตท่านตาห น, านะะ้ขาลงมาเทสะ mm hmm. เบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนตลายขาขึ้นมาคือยืนหนอหครั้ง mm hmm. นี่เราพ่อพ้นแกนสอนให้ยืนหอห้าครั้ง mm hmm. ไม่ต้องให้จ่ายไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องดูเราไม่จ่าย mm hmm. ไม่เคี่ยวยวืหนหอหลับตามโนภาพ mm hmm. เราจะได้รู้ว่า ในร่างกายมีหลย่ยต้องการให้สติกับจิตดูด้วยกันต้องการตรงนี้ต้องการให้จิตกับสติมันผนวกบวกกันแล้วยืนตั้งแต่ปลายท้าขึ้นมาแต่หากว่าทำงานแล้วนะทำงานแล้วไม่ต้องไปหยุดสะดือยืนนอยืนนอไม่ต้องหยุดที่สะดือแล้วสําหรับคนใหม่แล้ว ว่าเสดย์เธออยู่ที่ไหนเยนี่เสดยดแล้วก็นออย่าไปดูลงหายใจเดี๋ยวจะผิดลงหายใจไปไงก็ช่างแล้วเอาตรงนี้ก่อนเข้าใจหมถ้าห้าครั้งแล้วก็ลงไปให้ลืมตาดูไปาเท้าอย่าไปใช่เสะแสอื่นลยมนปเท้าขวาเลยอย่าหนอหยด ซ้ายยาหนอหยดขวายาหนอนี่ยเทเป็นไข้ปวดหัวจังแต่ก็ต้องทนเป็นข้เมันตะมาวานเนี่ยซ้ายย่าหนอหยดขวา อย่างนี้ใช่ไหมไมาใช่เดินกันอา้อาๆไปฮนะหยุ ด, ดเพื่อเอาจังหวะจะได้มีสติขวายาหนอซาีโยกตัวหน่อยยาไปเลยหนอหยุดเราจะหยุดใช่ไหมขวา ยาหนอขวาชิดซ้ายมันเป็นทางเดียวกันปรับหนอสี่จังหวะปรับหนอหนึ่งจังหวะปรับหนอสองจังหวะปรับหนอสองจังหวะปรับหนอสามจังหวะปรับหนอสี่จังหวะสี่จังหวะแล้วทำไงหยดุดหนอ หุดหนอหุดหนอหุดหนอหุดหนอให้ละเอกยดข้าหยุดหนอสามครั้งจุดหนอสามครั้ง้ยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอห้าครั้งเลื่อมตาดูแขวาอย่างหนอซยอย่างหนอ ขณะที่เดินจงกรมเกิดมีเวทนาหยุ ด, ดเกิดมีเวทนาให้หยุด ท, ทันทีหยุดท่าไหนก็ด่ทาง น, นี้ก็ด่หยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาปวดคอเหลือเกินอย่าเดินหมา ง, งี้งขาดสติสันสติก็ไม่จะไม่ติดต่อหยุดเดินทันที นี่เรากำลังก้าวอย่างจุกอย่างนี้ปวดนอเมื่อยนอหรือปวดหนอกระดับเมื่อยนอเมื่อยนอเมื่อยนอพอค่อนชั่วแล้วลืมเวลากําหนดปวดหนอหรือหลับตาเนี่ยกําหนดเวทนาหลับตาเนะอย่าไม่ใช่ลืมตาเนี่เดี๋ยวจะผ่าไปลืมตาปวดนอปวดนอไปวนอโนดูพัหลบหลับตามโนภาพดูชื่อเวทนาน พอใจไหมยาจิงกําหนดขวาย่างหนอต่อไปยังคาอยู่ก็หากเดินไปอย่างนี้เกิดเสียใจอย่างแรงน้ำตาร่วงเห็นมาจทีจีหยุดหนอหยุดหน่อหยุดหน อ, หน อ, หนอกําหนดเสียใจตรงนี้เสียใจหนอเสียใจหนอเดี๋ยวจะหายหายจะเดินต่อไปเข้าใจไหมอ้าวรัดมืออกขึ้นมาลุกมาเลยเดิน เป็นลมเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไข้ไม่ใช่นั่งนางนานาั่งเอาตรงนั้นเลยยิงหน่อห้าครั้งวันดังๆ ต้องการจะให้สติกละจิอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันได้ทุกอย่างเป็นหมดระยะสัะอย่ลงไปเท่าไม่ใช่เรื่องเลวหลายเนี่ยพระหลวงพ่ อ, อดำในป่าสอนตอากับรรยายกาศกรรมฐานเสร็จแล้วลืมตาดูกรเช้าขวายย่าง <c oughs> อย่าให้เร็วเกินไปหญ่าใช้ช้ามากถ้าช้าล้มช้ามันล้มได้แต่เราช้ามากนี่ามันล้มได้ ว่าเราปวดเมื่อยตรงนี้มากมีทางแก้อยู่อันเดียวให้ยืดคอกำหนดแล้วก็เดินจงกรมเพ่งไปตรงโน้นสักวันแล้วกลับมาดูตามเดิมให้เพ่งไประยะหนึ่งวนได้แล้วก็กลับมากำหนดตามเดิมเพราะฉะนั้นมันแก้ได้ไม่ใช่จะเต็งเครียดจนทุกอย่างต้องเข้าใจจริงนะ ชิดท้ายชิดท้ายขวาจ้างชิดเนยชิ ด, ชดกำหนดหยุดก่อนจุดหุดนอ้นอยอยู่น้อยอยู่น้อยเก้าสามหุนแล้วกำหนดกลับหนอกลับไปกลับหนอกลับทีจัจหงจหวะห อห้ไปให้ได้สิ่งจงหวะแล้วกลับให้พอสิ่งจงหวะกลับให้มันตรงกลับหนอหยุ ด, ดหนอหยุ ด, ดหนอสาครั้งให้มันได้เอียดท้ไมหยุดหนอ3าครั้ง หยุดหนอหยุดหนอเสร็จแล้วก็ยืนหน่อยห้าครั้งจะละเอียดเข้าไปมากจะได้ผมทันทีเอาละทา น, นี้พอแล้วเอาพ อ, พอเย็นได้มันมีวันนี้เย็นมากแล้วหายปวดเลยหายปวดปวดแน่<ว>หายเนี่มันนั่งนานหายแ น, ยยนย่แล้วการฉอบอารมเหมือนกันต้องเหมือนกัน บางคนไม่เข้าใจเดินจงกรมเนี่ยสำคัญมากถ้ากลับไปบ้านเนี้ยสาหรับที่เข้ามาปฏิบัติตอนเขาทำต่อไปถ้าไม่ทำต่อเลิกกันแค่นั้นไม่ได้ผลไม่ผล เ, เลยนะผลแน่นอนทำมันถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมมนได้อย่างปวดเมื่อยแสนจะสาหัสอย่างพวกบาเลเนี่ยกินบาเลมา ปวดเอียดเข้าไม่ออกเอียดไปไม่ได้บอกชงเงาบอกเขาเลยกำหนดปวดสะพึกเดินโยกรมก็ไม่ได้เดินไม่ได้ปวดน้อยอย่างเดียวอย่างขั้มเด็ดได้ขั้มเด็ดทางไหนหายเวชนามาปวดหน้อปวดน้อปวดหน อ, หน อ, หนอแล้วก็พองหนอ้อยุบนอก็นั่งเหอียดแข้งเอียดขา น, น, นั่งไม่เรียบร้อยเอียดแข้งอียดขา อ, อย่าง ไปเคลนตั้งอยู่ดับไปหายปวดเลยแล้วก็งอได้ไอา้าติตัวนี้มันก็วงโงจรก็บอกว่ามาตอนอยี่ทิบสี่ปีไปฟ้างขาหมูแล้วก็ขาหมูก็เนา่าหนอนกินแล้วก็จับฆ่าขายไปตัวเองจะเป็นฝุ๋นได้บัดนี้หายหมดเลยชัดดากรรมฐานไม่ใช่แก่กรรมกรรมฐานมาให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมจะได้ใช้กรรม วัใช้กลางการหมดหายเลยใช่ไมสมาฐานเปล่ว่าแก้ปัญหาชีวิตทำเสร็จแล้วก็เดินมาเดินจงกรมมานั่งหนอนั่งหนอพิธีนั่งไม่ใช่ยองไปขามันไม่ดีรถทนเรามันตั้งแต่รถยังไม่ชนเนี่ยดูเสือที่เที่ยวเดือวจำได้เนี่ยรถทนเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, นนยมันเสียประสาทไปเลยเรา ก็ความจําเสื่อมแต่ก็ยังดีกว่าคนที่จำอะไรไม่ได้เราจะจำอะไรได้เยอะเนี่ยเสื่อมไปเยอะหรือ เ, เราข้อหักไปไหมนั่งหนอลงไปเนี่ยถึงเวลานั่งนี่เราขามันไม่ดีรถมันชนขาหากักนั่งหนอนั่งหนอเนี่ยคูกเข่าลงไปนั่งหนออย่างนี้ต้องคุกเขา่าไปยังงี้ก่อ นั่งหน้อยย่อลงไปนะย่อลงไปทำไงนั่งหน อ, อ, นะอหห น, นั่งนอนั่งน อ, นงนอต้องยอ่อลงไปเห็นควายไหมมันนั่งยังไงเห็นไหมมอาอะไรลงมอาอย่างนั้นเด้อมันจะอาตูดลงอะ พุก เ, เขาย่อลงไปนะขวาทับซ้ายเราก็เอาที่หนึ่งไปถึงที่สามแต่หลวงพ่อในป่าท่านจะนั่งขัดตามาธิเพชรยอยู่เราจะเห็นพรบพุทธรูปขัดตามาธิเพชรเราเป็นยากองตรงนานไฮด้าเขาทำให้ทำดูทำไม่ได้อายเขา ทำไมทนอย่างนี้เดี๋ยวขาหักหมดเขาต้องมาเพชรของํารที่ทาได้นั้ททนะนั่าเรียบร้อยเนี่ยมันจะปวดข้างแรกนะถ้าทำไปญญานานมันจะไม่ปวดเลยสมาเพชรนั่งได้เป็นวันเลย เราต่างตัวกรองอย่างงอหลังเนี่ยคาตมาเทศถ้าเราเป็นไม่ใช่เป็นวิทยากร อ, อย่างไม่เรียกว่าเป็นอาจารย์แนะนํำครัมสอนครูบาอาจารย์ครูละครูจามครูแนะครูนําครูข้ามสอนไม่ใช่วิทยากรเรียกว่าโยคาวจรสอนผูดโด้โยกีโยคาวจรสองผู้ดยกีเข้าใจไมไ ม, ไม่ใช่วิทยากร ยากรก็ดูขื้อ้อยให้ร้อยให้ร้อยหรอยแล้วปาเพื่ อ, อ, อ, อาบางยาโยขาวปรจอเพื่อเอาไปสอนโยขีผู้บำเพ็ญเพียรเข้าใจไหมนี่ไม่ปวดได้เมื่อยเลยท่านวิละลองทาดูเอเอาข้าวนี้ยถูกเน้เดี๋ยวขาหักแ้เดี๋ยวมันจะหายเอง ไม่ใช่อย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้นีอ่อย่างนี้น really ี Again, ่อย่างนี้เลยแหม่เนี่ยอย่าดูมาทั้งนี้นะมาเดี๋ยวนุ่งเก่งนายนี่ดึงนี่นี่จับจับขึ้นมาจับดึงนี่ยกยกสองมือนี่หนะ ทำได้ไหมเนี่ยฮะได้ได้ลองทำเ ด, เ, เดี๋ยวนี้สิสทำให้ได้นะ<ส>วค่นเอินทำไมเนี่ย<ส>หายปวดแน่ดีเดยอะตรงนี้หายเยเนี่ยแล้วประจำเดือนจะโตติขึ้น นี่นนเะนยทำให้มันได้ทุกคนเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เดี๋ยอายเขาตายเขาลันเขาจออะติงได้คเอไม่ข้าท่างกันนะฮะ ต้องหัดทำหัดทำไม่ได้นี่ครับปวดตรงสนนนะโพกนี่นะจะหายเลยลววาานี่ไอ้ตรงที่ตะกพักนี่นะจะหายเลยแล้วก็บางคนเนี่ยไอ้ตะกรันเนี่ยนะมันต่อกะดูอีกกะเบเนตเนี่ยถ้าเราขัดตมาเทศไปบ่อยแลจะไปทำตรงนี้จะหายไปเลยตะกรักนจะหลุด ท, ทันทีตัไปหาไปห า, าเครับในใจดำเอาแล้วขัดสมาธิสองชั้น ขัมาสองชั้น ง, ง่ายๆสาวโกลนิยมทั่วไปไง่ายเนี่ยขัตตมาสองชั้นพยาจำขัตตมาชั้นเดียวก็ง่ายนิดเดียวอันนี้ลงเดียวอันนี้ลงไปเข้าใจไหมเนี่ยทําได้ไม่ได้พยากขัตตมาสองชั้นก็ยกนี่ขึ้นมา ยงนีขึ้นมเาท้างนี้อเองชัดเจนแล้วก็ให้ใจยาวๆตั้งตรงๆมาคนทำไม่เหมือนกันและไม่ได้ซะด้วยซึ่งทำไม่ได้ด้วยวจะไปสอนเขายัางไงต้องอดทนด้วยตายให้มันตายใช่หใช่หลักธรรมข้อดีสิฝืนใจให้ใจยาว มันจะยาวมันจะเห็นลูกน้ำได้ชัดเจนมันจะยาวมันจเข้าพองมันจะออกยุบแล้วก็พองหนอยุบหนอทำไปเรื่อยๆข่าวกว่าสมาธิดีจะเห็นชัดขึ้นสมาที่ไม่ดีมันยังไม่เห็นชัดหรอกเห็นก็ถึงหนังผิวนี่เท่านี้เอง ทำปัญญ า, าจะเห็นลึกเลยทองหนอดยุดหนอนาข้าวเลยจะรู้เลยไอจิตกำหนดทองก็ไอจิตกำหดนดหยุอันเดียวกันไหมและจิตดวงเดียวกันไหมมันจะบอกเลยชัดเส้นขวายานหนอดอนอยุดเท่นั้นอย่าไปเดินเร็วๆซ้ยายยานหนอไป ถ้าไว้พระตีมันจะบอกทันทีขวาย่างหนอจิตที่กําหนดเนี่ยมันจะดับเราจะเห็นได้ชัดซ้ายจิต ด, ดวงใหม่ละไม่ใชดวงเดิมถ้าเราทำมันมันจะสังเกตมันจะชัดถ้าทําไม่ไม่สังเกตสมาธิใหม่จะไม่เห็นเลยขวาย่างหนอ ล้วรหยุดจะรู้จะเห็นใช่จิดดวงเดียวกันไดน้มันดับเห็นชัดเลยโลกน้าขันห้าเป็นอารมณ์จะชัดขึ้นมาแต่ทำเร็วๆไม่มีรู้เรื่องแล้วซ้ายยาหนอพอหนอปั๊บมันก็โมโหไป ถามว่าในสมาธิที่ันถูงเนี่ยขวาย่างหนอจะเห็นดับหรือว่าจิตมันดับถ้าเราจิตมันไม่สูงมันก็ไม่เห็นสมาธิไม่มีมันก็ไม่เห็นใช่ ย, ย, ย่างพอหนอปับมันจะรู้เลยตรงนี้เกิดใหม่แล้วของเก่าดับไปแล้วเข้าด่าเรามาพับ เราไม่รับมันก็ไปดับที่เขาชัดเจนเลยเสียงนอเสียงกับผูเราเป็นคนละอันเลยธรรมดาเราเราไม่รับไอ้ที่มันให้เรามามันก็ดับเราไม่รับ ไปสู่จุดมุ่งหมายข้งหลังมันจะไม่เกิดอีกแต่ไม่มีอะไรที่มันดา่าบอกว่าอยใจเลวเลเข้าใจนี้ไหมพอเข้าใจแล้วเราจะไปสอนคนเดี๋ยวก็ถามมาตายเลยจิต ด, ดวงนี้ที่เสียงหนอแล้วฟังนะผิดเราเนี่ยจิตไปรับอารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายเข้ามาแล้วแล้วฉันเกิดอารมณ์ล่ะเกิดอะไรขึ้น อารมณ์้ายเนี่ยเขาเอาสมาธิเราดีมันจะดับไอ้ชั่วไปมันจะไม่เก็บความชั่วไว้ในจิตใจเข้าใจไหมเข้าใจนยแล้วอารมณ์ไปรับอารมณ์ดีเสียงเพราะเสียงก็เพราะรูปทางก็สวยเสียงก็ดีมีปัญญากับอารมณ์ที่เราไปรับไอ้เสียงมันดา่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถ้า พวกท่านทั้งหลายทําได้จะรู้ทันทีที่เรารับอารมณ์ดีเสียงเพราะรวยเสือดีกลับไปรับอารมณ์เสียถือเขาด่าว่าเราสขาดเสือเดชเดเสี ย, ย, ยมันดา่าใครมันดา่ดาใครด่าเราตัวเรามีอยู่ใ้่ไหมไปยึมาทําไมไปยึด ม, มาทำไ ม, มถ้าเราเยึดถือก็มีตัวเรา ทำมาเยอะแยก็ไม่มีตัวเราตรง น, นี้จะเรื่องสำคัญมาอย่างยอะแล้วพอนี้เสียงหนอเสียงเขาด่าอย่างอีกจุหนึ่งเสียงหนอเพราะมากเขาเลงเพลงอะไรไปเอาลมไปอย่างไงถ้าเรามีเสติปัญญาดีมันจะดับทั้งคู่จะไม่มีรับอารมณ์มทั้งดีทั้งเสียไว้ในใจเข้าใจั้มเนี่ยจะไม่อาเทพ